คนอาจเคยลอยใจและยังสับสนกับปัญ ห, หามากมายว่าวันไม่เกิดกระฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรปงเหตอใครที่ไหนกัน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 กันคือการประทังของเธอไในคิดในใจอาจคอยส่งพลไร้ไร้อาจลึกลับตะมันคงกับการสมพลของกันคิดทำอะไรทำดีหรือไร